ตนนั้นต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสในการสวดถึงจะเป็นอันทิสมในศรัทธาของเขาก่อนแต่บางคนเนี่ยนะเขาไม่เข้าใจเลยถ้าสวดไปนานๆจะรู้เองนะถ้าเกิดสมาธิจะรู้ว่าเนี่ยเป็นแปลว่าอะไรมีคนทําได้เยอะบางคนเนี่ยเขาอัดสวดพุจธคุณเนี่ยสวยดม่อนและะ้วก็ดีสวดแปลก็ไม่ดีเพราะอะไรจิตไม่ถึงเข้าไม่ถึงธรรมะถ้าจิตมีศรัทธาเลื่อมใสสวดให้มันเข้าถึง1เข้าถึง2จะซึงใจสามจะฝ่ายดีสจะมีชาติ พูดจริงทําจริงเลยนี่ออกมาชัดเลยพี่อนุสง ม, มีศักดิแล้วก็จะมีกระตันยูกตเวทิจตาทำรู้หน้าที่การงานองตอนการสวดมนต์ไม่ชนะธุรกิจสวดมนต์นี่ต้องการให้มึกถึงตัวเองมีสติสมัมปชัญญะให้สวดเข้าไปสวดไปพอถึงจิต ถ, ถึงใจแล้วก็ซึ้งใจพอซึ้งใจแล้วซึ้งทรรซึ้งธรรมะมันจะฝ่ายดีถ้าหากว่าจิตยังวุ่นวายหรือแสวสวดมากแล้วก็ไปทํางานบ้างไม่เด็พโพน